พระธรร ม, มเทศนาจารึกเรื่องหน้าเ ข, าข่าคำผูกติสิบเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลียนทำฮุกประโยก์กนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายอะโม ต, ตัสสากาวะตตาราตโตสัมมาสัมพุทธัา อาทาโสเอกาบิดทิงอัตตาโนสมาบังฑอากาศชนติ้งติดสติสาโุบูรัสปูริตาตั้งหลายทั้งยิ่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่นำนา มีศรัทธาลิงโูใจจื่นสูต่างทำจุงจักจำติดต่อบทบาทคอบาลีจาดกมีหลายห้องมีหลายจ้องหลายแสงเราจักสำแดงไข่กาวหฮือหูข่าวตามมีบัตนีและนาะ อาทาสในกาละนั้นเล่าพรานปูเทาดงไพรลี่อยู่ในคุ้มไม่ยินเสียงไก่ดังมาก <c oughs> ้อสอตาและพอก้อนนอนนารีชมนางดีเจ่นจ้อยบ่ใหญ่น้อยเร่รารมลักคานางงามใจจ้า บุญดันป่าเดียวได้เทียวมากายตีไกลพรานป่าไม่คดิ่งในว่าสันใดนีเล่ากลางป่าเสาดงรีป่อยว่ามียิ่งน้อยงามเจื่จ้อยเหลือคนเดินไพรสน ส, อ, สอดบุญดันหลอดเครื่อวันหรือตัวมันนั่นใส่ลงป่าไม้ดงดดน จักเตี่ยวจรปิกปอกบอกหูออกต่างได้จริงเจีายวไปร้องให้มารอดไกต่ตนกู้หรือสัตวถูหยาบกาหยับนังงนอลาโซภาและออนนำมาปล่อยไว้กลางป่าไม้ดงตันหรือกุมพันยักษกากับเป็ดนาแถลงมา ฤเตวาดาป่าไม่คุณอินไล่เสียจุมสู่โศกตกรุมเอาไม่จริงร้องให้เตียวมากวนกูจะถามทีเือเสียงตีสงสัยพรานกึดใจเสียงขาดกอแสงสวัดก็ธาตถือปืนยาไห้มันก็แหหลอดดันเฟยบังไปหายัางตีกล นางนาไทยยิงรามก่าวกำงามทวนทีว่านางลูกตีได้มาเป็นเทวดาป่าไม้หรือนากตำไตแถลงเป็นเรือผ้ายนยักเพาแถลงเป็ดเดินหุนหรือเป็นคนเต่ต้องอยู่แห่งหอง้องเบื้องใดนางใส่ใจหนุน n e า มีจเจ่าสังจ้าสันไดมาเตียวสอดบุญดันรอดดงรีไกราชธ า, านีบ่โนยนางตำก้อยสังจ้าเต <c oughs> ี่ยงจมจ้าร้องไห้ดันป่าไม้ดองไพรบ่มีไผ่เป็นกู่จักไปสู่แดนใดจุงจะไครบอกเราเฮอหูเก้าตามมี นางพัดตาดีหนุ่มเนาหันผ่านเทาดงนาพากดมาต่อหน้าบ่ได้จ่าเร็วไว้ถือปืนไฟดังไว้เข้ามาไกลจะทมด้วยกำงามที่ถอยนางยอดซอยวันไวยินตกใจลายแลเหือ่ย้อยแผ่ตั้งตัวมีความกัวหลายหลาก สิงออกปากเจียนจากครขีญยเรล่าเก้าฮือพรานเทาจูฟาการแล้วนั่งดงคันยอดซอยก็เกาถอยกำไปทำพรานไพรผู้เท่าว่าลุงนี่เล่าเป็นภัยจักไปไหนมารอดบุญดันสอดดงดอน อยู่นกคอนแต่ต้องคงเขตทองเมืองใดพรานก็ใครเกาท้อยแก่นั่งยอดซอยตามมีก็มีหันและนะถ้าในกาลนั้นพรานปู่เทาก็ตานเหล่ากําบานว่าดูระนังดงคานยดใหญ่กลางป่าไม้ดงรี สัตว์ไร้มีหลายแห ล, ล่ลาสอดแผ่ไปมาตั้งยักษ์ขาพายเพทมีไข่เขตดงดอนตั้งติปพญธอนใจกามักแอวลาดงตันแม่นนางพันเตียวสอดเตียงบรอดอุ่นตายจักบำไวยมวยมาง ก, กางปากวางดงไพ พออนังไปกับปู่ไปจอดอยู่เกาหาในปาระตองเตตแ ด, ดนดาวเขตปุรีแม่นบุญมีมาไข่เตียงจากใดเจยบานสุขสำราญบ่ผ่อนเหมือนเมื่อก่อนเดิมอ้อนพรานผมป้อนปู่เทาก็ปานางังดอนเนาพัดตว ด, ดี ออกดุ้งรีเถือนทองปิกปอกหองเวียงใจตาวันใสย่อนหอ้อยรับดอยน้อยขเข่าเคียวจริงจากเตียวไปรอดถึงที่จอดเรือนมันแลยนะตาตาในากาละนั้นอั น, นว่าพาริญาผ่ า, านป่าหันพัวกว่าขึา้นมามีธงป้าอันเป่าของกินเก่ามุดซอย เนือดงดอยป่าไม้บ่อหันใดอันใดหันแต่สรีนงไว้อ่อนน้อยงามสอยรอยตวยมานางโกธาลายลากบอกออกปากจากใครเต้ากึดใจดันสอดว่าเท่าใบบอธัวตนเขา้าไพรสนปากว้างบ่อไฟอ้างกวางทราย แสงผันภายเข้าป่าตีแต่กว่าเสวงหาเอาภาริญาหนุ่มน้อยติดจังหอยมาเหือนใจนางเฟื้อนโคเทาาร้อนพระพาวนานำแสงไขก่ำกำกาวถอยด้วยกำอ่อนอ้อยวอนยหญยว่าสันได้พี่เจ้าไปป่าเศราวันอ่อน ลวดจอดนอนกลางป่าวันนี้กว่าขึ้นมามีธงป่าอันเป่าบ่าได้เล่าอันใดมีแต่สีนองไว้อ่อนน้อยติดจ่องห้อยจอมหลัง มันเป็นสั่งดังอีคอเก่าจี้ปันมาพรานดงดาปูเทาก่อตานเล่าวาตีไครตามมีเก่าอู้ฮือนางหูจูอันอันก็มีหันแลยนะตินั่นภาริยาพ่านเทาฟังผัวเล่าไครการมีใจบ้านจืนยาวหายโคเทาไปในไขกำไปตานต่อ ว่าดูรานางน้อยนอโสผ้านางยาเครื่องกาสกตองมาอยู่ห้องเฮือนเฮาอย่ามองเงาหมวนไม้เป น, นบุญไหล ต, ตุ้ยตันเตียงได้หันเต้าเจ้าและลูกเต้าสายตาภาริยาผ่านป่ากกสอนว่าไหลายอันแล้วเร็วปันซอไซของกินได้ตันมือ หื้อนางบุญลือหนอนเน่ า, นาสเสวยเข้าอาหารไข่กำมวานบ่อน้อยหื้อนางยอดซอยยินดีแล้วปู่สาลีเสือสาสหื้อนางนาดนอนในกอมีหันแลยนะโอนาตีวะเศษในวันลุนรุงเจ้าคนนุมเทายิง่งใจอันอยู่ย้ายแหวดไก่เฮือนพันใหญ่ใจหาน ก็จะขานกาอูอลือเล่าส่กันไปว่านายพรานไพรใจกาไปสอดปากพรสนดวดไปดนจวบใดยังนางนาทไทยขิ่งรามลักขนานงามใจจ้าดังดังฝ้าสาวสะวันเสียงลือนั้นเหล่าสาวไปไข่าดาวเร็วไว คนไก่ไก่มวนหมูไหลมาสู่เรียวปันเหตุไข้หันและพอยังดางนอโซฟากรรลือสานั่นใส่ดังไปไขวียงใจแต่นั่นไปไปนาบอนเด่นจ้าหึงนานกำรมจะคาดต้านกาวก็รอเต้าจำปาเจ้าปารายยศใหญ่มีใจไฟเล่งหัน จริงเดี๋ยวปั่นปงขาดเฮ อ, อามาต่างตาไปใครจะบอกเ่าือผ่านเทาผมปอนน้ำสีบางอ้อนกินกู่เข้าไปสู่หอ่อคำแลยนะตามัตถังประกาศเซ้นตัวศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาทอยบาดนี้บทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสะนาวาอาโคกาลาวันโนราชาดังนี้เป็นต้นภิกขะเวดุราภิกขุทรงตนทรงสินใสบ่อเศร้าทุกคำเจ้าภาวนาธาในกาละนั้นเล่าเต้าเป็นเจ้าจำปาชื่อกาลาวรรณราชายดยาวภาพไขาดาวปุรี มีอกกากะมาเฮสีนุมเนางามบ่อเศร้าจื่อฮิรันยปาปภามิราชจาตถิดาหนอนน้อยงามจินจอยจิราวดีต้าโอภูมิกาลวันดาราชโยภาสาสหอคำได้ยินคำคนเล่าว่าพารานปู่เทาดงดอน ในสลีบังอ้นยอดสอยงามจื่นจ้อยเหลือคนจากไพรสุนเื่อนทองมาอยู่ห้องเกหาเจ้าจำปาหัวข่าวตามเสียงก้าวลือนั้นยินไข่หันไข่ไดเอามาไว้หอคำจริงไข่กำปงขาด อืออามาัดเตเรียมใจรีเปลวไว้ไปสู่ยังที่อยู่นายพรานแล้วไรการบอกเล่าคือพ่านเทาดงรีนำเอาสายสรีนอนลมามหาเจ้าฟ้าเร็วปันอามาัดยันรีพาวไปบอกเก่านายพรานตามองค์การเต่าไทย Ừ, หูใดตามมีพรานดงรีหูขาวร้อนผ้าพาวตั้งตัวมีความกลัวบ่อ้อยเหือไหลย่อยตั้งคิงกึดนขาดนิ่งขึ้นล่องบ่อฟดปองตั้งได้จิงนำสลีนงไว้้อยหนาตัวอามาตั้งตา จากเกาตี่อยู่ขึ้นไปสู่หอคำย่อมือตั้มวางเก้าน้อมไว้เจ้าราชาแล้วคดมานั่งอยู่บ่อเก่ากัมไดแล่นาเจ้าปารายศใหญ่หันนางหน่อไทยยิงรามลักขณางามใจจ้าดังนางฟ้าสาวซาวันมีผิวพันธ์ไพ่ผ่องวันณะสองเรื่องไร บ่มีไผ่เพียบใดพับแขวนไตจำปาเจ้าป่าระบะไปมีใจไฟแปงปิ้งเอาเป็นหญิงกู้หอยเป็นเมียน้อยเตวีจิงไขว่ตีทมข่าวซึ่งเท่าาผมปอนว่าดูราพรานดงดอนผู้เท่าหุ่มไตเต้าดองควางมึงได้นางโนลา จากดาวปาแดนได้มึงจุงไข่เกาโอ้หือได้หูบัดเดียวพรานดงเขียวป่าไม้กอนม่อมใบทุนสาให้ขี้ยาเหล่าเกาหือเต้าเป็นเจ้าจูอันอันเจ้าหอฉันที่ราชฟังโอกาสทุนสาร แห่งนายพลานผู้เท่าซ้ำามนังนอนเาบุญภายด้วยป้าริ่ยไยบ่อน้อยทมที่ถอยนานา น, านังก็จ่าตันกก่าเฮตันเต้าจุพักการแล้วนะ เมื่อนั้นพญากาลวั น, นาราชาภาสาจำปาก็เจียนจาตันต่อซึ่งนั่งนอพัฒตาดีว่านางเคยเป็นเทวีร่วมคาง <c oughs> แห่งเจ้าจ้างหอ่อใจสำรานใจคำเจ้าบ่หม่นเศร้ามองผ่านวิบาก้านผาม่างได้ผาค้างไก่กัน บัดนี้บุญตันจู่จอดใดมารอดถึงเราจักขอเอานางน้องมาอยู่ห้องหอคำเฮือสุขนำบ่พ่อนเมือนเมื่อก่อนเดิมอ่อนขอสาวยสาหมอนนอเน่าจุงมาเป็นเจ้านังใดสรีนองไว้หยดเงาฟังกำเต้าจำปายินโกธาหลายแหล่จริงเก่าแก่ทุนสาร ว่าคาแดพระผู้บรรยศใหญ่คาบ่ไฟใจหมายยังคนใจต่างนาบอกว่าเจ้าฟาราจารือคนฟาลาใบบอดบอกกึสอดคานิงได้บอกว่าไฟดุมเท้าเว้นแต่เจ้าผวกวันอันได้ผันผักข้างกางแบกว้างสะกอน ข้ า, าวอนบอ่อเหือดร้อนไม่เดือดนาดำโศกทุกคำข้างคองเต็มแห่งห้องหอระทยจักอดใจอยู่ท่ายัางเจ้าฟ้าผัวขวันแม่นบอ่อหันผัวแก้วตายก่อแล้วตามที่บ่ยินดีแนบข้างกับเจ้าจังคนใด เจ้าหอใจที่ราดฟังดังนาดไข่กำตันหาดั้มมืดเศร้าลำไม่เอาไปในแสงจะไข่กาวถอยด้วยกำอ่อนอ้อยไหลพากกาดนางดองคลานยศใหญ่บ่อใจไฟยินดีไขว่าตีต้านต่อจะว่ายอนานว่าบ่อไก่กะไปอยู่กับเผ่าผู้คนใด จากอาสะไรผ่านเท่าท้าราบต่อเต้าเมื่อมอนพระผู้ทอนกาลาวันณราชปังถอยวาดนางจ้าก็โกาาท่าหัดเทาร้องต้านเกาเสียงดังว่านางอย่าวังปิกปอกไย่น่าออกเมื่อเฮือนเพียบเตรียมเหมือนไก่น้อย อ่อนอ่อนออยหัดบินอยู่พปื้นตีนจ้างใหญ่จักรอดใดหรือพี่ยาวังนี้ลี่ซ่อนอยู่บอแดนใดเสนาในมวนหมูวังแวดอยู่นำนา กันเต้าจากเ่าวแลวก่อฮือหัวแก้วค้นหา น, นำนังนองค้านนอไทยไปขังไว้ไปในแล้วเร็วไว้บอกจะเอาเสื้อผ้าเงินคำมีนานำลายแลยืนปั่นแก่นายพรานแล้วมีราชาองค์การตานบอกเฮือพรานปอกมือเฮือก็มีหันเลยนะ ส่วนนางพัตาวาดีนอเ น, า, นาอันเต้าเจ้าจำปาฮือเสนาขังไว้ในห้องใหญ่หอในอกเป็นไฟวูร้อน <c oughs> ตุกท้งคอนทมทองนำตานองบ่เหือร้อนไม่เดือดรร้น ต, ต, ตีอกตนจะใจร้องรำให้ปริเตวนา ว่าวิบากสังจาปังก่อนมาหลายตอนตัวตั้นเมื่อหลายวันดวงเลวก็กัดแก้อกไก่กาจากสามิกาเป็นเจ้าและลูกเต่าสายใจกางฟ้องใสแม่กวางดามวยมั่งเมื่อมอนดันดงดอนป่าไม้มารอดไข่เมืองคน คอยมาดนดังอีจักลีกลีสันได้จักมีไผยช่วยกำหื้อหลวงลำไผมานางนงคานนอไทยจิงน้อมไ ว, เว้เตวดาว่าเตวสังขยาคาแดเตวาดาเฮยมวนหมูอันตั้งอยู่กูพิพานจุงฟังสารข้าน้อย อันรำถอยวอนหาบัดนีนาข้าน้องตกอยู่ห้องวนตาายขอเตวาดาตั้งหลายตัวนามาจวยขาเร็วปันมาแหนกันอยู่ใกล้เฮาาไดสดสดีอย่าไดมีภยรยายมาแปดปายสันดานแม่นภัยมานมาไกล้ฮร้อนไหมปัานไฟ นางสายใจนอนเนาน้อมใบเจ้าเตาวะาดาใจเวาวาปันกว้างดาจักมั่งเมื่อมอนแขนตตังมอนหมุกมู่กิดใจอยู่น า, นา ห, นนห น, นาก็มีฮันและนะ กันกลางคืนบาไข้เต้าโอยตยใหญ่จำปามีตันหาหมืดบอดกึดถึงยอดนารีคือผาตาวาดีดอดไทยอันขังไว้ยาำวันจริงภายผันไปสู่ห้องที่อยู่ใส่ใจกันว่าไปรอถแล่อนห้องนางแก้วนารีออัศจรรย์มีหลายแลร่อนไร้แพ้บัดเดียว เป็นดังเปลวไฟใหญ่ลุกเวดไกกาญาเจ้าปาราสลังบ่ออาจังดนานไปก็อเรยวไวขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนจะไอเวิ้ววนบ่อเหือร้อนไม่เดือดไปใดก็เตียวไปแถมเหล่าฮอนกว่าเก่าเดือดลายก็พันภายขึ้นสู่ยังที่อยู่เรียวไว ลุกเต๋ยวไปหลายปลอกเขาแล้วออกหลายทีเจ้าปุรียศใหญ่บ่เว้นวันใดยังเต๋ยวไปจะใจเขาบ่ได้ตั้งวันก็ยังพันบ่จังบ่หูยังวันใดเหตุมีใจหลังดูลงลงสู่ตังดำเป็นดังกรำแต่ไทย ตั้นเก่าไว้เหมือนมาว่าเมาสุรานำเหล้าเมาเมื่อเจ้ายำง่ายย่อมสว่างหายเสียงซ้ำเมื่อยำคำลงแรงเมาหักแป้งวงคองตกบ่วงก้องกามากุ้นซ้ำเมาหล่นมากเต้าบ่เจ้าขืนวันเมาอย่าควันย่าคืนกินสมจืนเมาหาย เมายิงใจนมเดายาสั่งเล่าจากมีเจ้าปุรินยศใหญ่บอกขึ้นไขสัญญาย้อนตันหาเป็นเก้าหฮือมืดเศร้าเมาว น, นั้นและนาส่วนนางพัตตาวดีน้อยนาดศานิ่งขวาดปิจารณา ว่าแม่นกูจาหาเท้ากับตันเต้าอาธรรมมันใจดำอยากจ้าเตียงจะฆ่ากูตายกวนอุบายตานกาเก่าเือตันเต้าใจดีก็แอลักหนีไ่บาทเมื่อโอกาสมาเตงนางรำเปิงขึ้นล่องก็หันป่องกองตาง กันเจ้าห่อควางกาละวันนาราเตจะอาสิงสาเข้ามหาติไกนังแสงน้อมไวไขาจาวา้าแดมหาราชเจ้าโอนเป็นปิ่นเก่าเนื่อหัวบัดนี่ตัว้าน้องตุกถูกต้องเหลือลายย้อนผัวหายผักข้างกังแม่กว้างกงกา หลอกเตียมตาขาน้อยก่อกาดก้อยหายหนยังเป็นคนปนรอดหรือมวยหมอดมบำมไห้บอบมีหมายหูใดข้าบอนไทยนิ่งร่มตุกลายลามทางคอนอกสะต้นเววาขอมหาราชาเจ้าตนเป็นเก้าปุรี จุงผาณีตัวคาหื้อโซกาลวงลายได้สูญหายกัดก้อยบ่อจ้องห้อยสันดานหายมองผ่านมนเศร้าลืมเรื่องเก่าปังหลังคาบ่อวังหลีกลี้ไปอยู่ตีเด่นได้ขออาศหลบุญเจ้าทาราบต่อเต้าเบื่อมอน ราผูทรกาละวันณราจเจ้าภาษาถหอำได้ยินกำนางเก่าใจจืนเหงาหนำนาพิจารณาลายตังก็เม่นดังกำนางเจ้าหอควางจมจื่นปีติตื่นยินดีแล้วรีบนี้ขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีหันแลยนา ตาต่อปัญญาแรกแต่นั่นไปปไปนาตนเจ้าฟ้าราปาราก่อฮือนั่งกันยาหนุ่มเทามาแหวดเฝ้าเอาใจเผื่อเฮือสลีนง่งไว้น้อยนาทายเสียงขาดมองผ่านอลังการลายหลากมีกามากนานายกนํำมายอยืนฮือนางจืนยินดี เจ้าปูรียอดใหญ่คันิ่งไข่ตั้งวันปีเดือนปั่นครบจอดสามปีรอตั้งมาเต้าจริงจาต้านต่อซึ่งนา่งนอคิงรามว่าเสียนขวากน้ำโศกเศร้าแห่งน้องเนาสายใจหมดหายไปเสียงขาดรือไม่มาดยังมีนางพัะตาว่าดียอดซอยก็ตอบถอยกำไป ว่าตูกใจลายหลากบ่อหูผาไก่กามีนำนาดังเก่าร้อนไม่เอาตั้งวันเจ้าหอจฉันยศใหญ่อดบ่อได้เลือใจคดตัวไหลเข้าไก่ก่อห้อนไม่ดังอ่อนพระผู้ท้อนหาวหาดการนิ่งขวาจสัญญาว่านางนี่นาดูหลาก กึดแต่หากกวนอามลักขนางอามจะจอนเขา้าไก่ห้อนเดือใจแซงจะใครบอกเล่าว่าทุกโศกสเศร้าเหลือลายย้อนผัวตัวตายฝรา่งนาลูกหนอลาหายตากลางกงกาแม่ใหญ่เตียงบอใจเป็นคนเป็นยักษ์ไรสนอยากจา้า กับเป็ดนาเป็นมาแสงมายาจุหล่อเปื่อเล่งพอนันไปมันหมยใจป้าหมูเข้ามาสู่ปุรีเปื่อราเวีคำคากินไผ่ ฟ, ฟ้าไปลุนบ่อกลวนลุนมันไว้กวนยับใส่กังกาเจ้าปาราเกิดแล้วก็หฮือพวกแก้วคนหาน หยับนา่งลงคานหนอไทยแล้วมัดใสกังกกาแม่นนางจากเก่าแก่หื้อหูแน่สันได้เจ้าห่อใจใจถอยบ่ฟังถอยกำนางเร่งปงว่างปันขาดหื้อน้ำนางนาทโสภาผู้เววาร้องให้ไปขังไว้บัดเดียวก็มีวันนั้นแลยนะ เนติตังขีญาสังวันน า, นาวิเศษจาห้องเหตนาเ ข, าข่าคำผูกทวนซิบจุงรีบยิบเลือกลอนเอาแต่มอนคำทำฟังมานำแต่เก้าขอหนุ่มเทานิงใจกึดใจไม้สอดไข ว, ว่าเราใดอันใด เป็นทำใส่บ่อเศร้าอันพระเจ้าจะสอนมีแซมสอนซ่อนอยู่ปอมจุ่มหมูใหญ่คืออันยุงเฟื่อแต่ใส่ก็เอเลือกใส่เอาไปยังเยาาไก่บ่อน้อยจักสุดซอยปรินโยสาน เย้อาจารย์ปู่ป่าจักจมว่าจาเหี้าหากถึงข้าวจอดยั่งจริงยุดเป็นบังหวังลงกอบังงกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ